คนใหญ่ก็คงจะเรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาเมื่อเราตั้งใจจะนับถือพุทธศาสนาก็ควรนับถือให้ถูกต้องนะจะนับถือให้ถูกต้องได้นี่ก็ต้องรู้ชัดซะก่อนว่าพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลา ลึกถึงพุทธศาสนาเนี่ยก็นึกว่าเป็นศาสนาแบบหนึ่งในความหมายที่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีประเพณีพิธีกรรมที่ต้องปฏิบัตินะแต่ว่าก็ไม่รู้ความหมายพิธีกรรมเหล่านี้ก็มีรายละเอียดที่ทำให้บางทีก็สับสนไม่แน่ใจ เช่นาทาบุญนี่จะต้องกล่าวบทไหนสวดบทไหนจะถวายสังฆทานจะต้องอสวดอย่างไรถวายเสร็จกรวดน้ำก็ต้องมีขั้นมีตอนไปให้ความสำคัญกับเรื่องประเพณีพิธีการแบบนั้นซะเยอะเพราะว่าไปเข้าใจว่า พุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นศาสนาแบบหนึ่งตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไปที่จริงเนี่ยคำว่ า, ส า, ส า, วาศาสนาเนี่ยในคําว่าพุทธศาสนาเนี่ยก็แปลว่าคําสั่งสอนคําสอนนะคำสอนเป็นคําชี้แนะนะที่ช่วยในการดําเนินชีวิตหรือว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือวิชาชีวิตนั่นเองนะ ถ้าเรามองว่าพุทธศาสนาเป็นวิชาชีวิตเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องของความจริงที่เราต้องเรียนรู้วิชาทางโลกเนี่ยเรียนเพื่อไปทำมาหากินนะเพื่อจะได้มีเงินมีทองเพื่อต่เต้าเลื่อนขั้นทางสังคม คนยากคนจนก็อยากให้ลูกไปเรียนหนังสือจะได้พ้นจากความยากจนนะจะได้ลืมตาอ้าปากได้จะได้เป็นเจ้าคนในคนอันนี้ก็คือความมุ่งหมายของวิชาทางโลกนะแต่วิชาชีวิตที่เชื่อพุทธศาสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดไม่ใช่อย่างนั้น แล้วก็ไม่ได้มุ่งเอาความร่ารวยนะเป็นเจ้าคนในคนมีอำนาจวาสนาเป็นที่ตั้งไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าไม่ถือว่านั่นเป็นจุดหมายสำคัญของชีวิตเพราะว่าวิชาชีวิตเนี่ยมุ่งหมายเพื่อให้เรามีชีวิตที่เจริญ ง, งอกงามและผาสุขไม่ได้แปลว่าร่ำรวยเพราะว่ารวยแล้วแต่ไม่สุขนี้ก็มีเยอะนะ รวยแล้วเครียดเป็นโรคประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องพึ่งยานอนหลับอันนี้ก็มีมากยังไม่ต้องพูดถึงอีกหลายคนที่ฆ่าตัวตายเงินนี่มันเป็นแค่ผลพลอยได้ความร่ํารวยนี่เป็นก็เป็นผลพลอยได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่สําคัญทักระว่าทําให้ชีวิตมีความสุขปลอดจากความทุกข์ ต น, นวิชาชีวิตเนี่ยนะมันก็ต้องศึกษานะศึกษาเนี่ยเราเรียกว่าปริยัตนะการที่เรามานั่งฟังแบบนี้ก็เรียกเป็นปริยัตได้เหมือนกันรวมทั้งการอ่านหนังสืออ่านตำรานะอ่านพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในวิชาชีวิตนะแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะั่นต้องปฏิบัติ ด, ด้วย ถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็ถือว่าสอบไม่ผ่านนะวิชาชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกับวิชาทางโลกที่เขามุ่งเน้นที่การอ่านตรลับตำราเน้นที่การท่องจำนะทำข้อสอบได้ก็ถือว่าผ่านแล้วข้อสอบก็เป็นแค่กระดาษนะเขียนคำตอบลงไปในข้อสอบถูกต้องก็ผ่าน แต่ว่าวิชาชีวิตนี่ทำอย่างนั้นไม่ไม่พอนะมันต้องปฏิบัติด้วยก็คงเหมือนกับเรียนวาดรูปนะจะเรียนแต่ทฤษฎีไม่ได้มันต้องมีการลงมือปฏิบัตินะปฏิบัติในพุทธศาสนามันคืออะไรนะไม่ใช่การเส้นไหว้ไม่ใช่การอา่าบนบานสารกล่าว อันนั้นมันศาสนาผีนะมันไม่ใช่วิชาชีวิตนะวิชาชีวิตเนี่ยปฏิบัติมันก็มีหลักมีเกณฑ์นะขั้นตอนการปฏิบัตินี่ก็มีสรุปย่อยๆแล้วนะในโอวัถปฏิโมกการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการชาระจิตของตนให้ขาวรอบคนไปเข้าใจพุทธศาสนาสอนแค่ให้ละชั่วทำดีนะ เด็กๆ ก, ก็ตอบกันผู้ใหญ่ก็ตอบบางทีมันก็นกแก้วนกคุณทองนะเพราะว่าทุกศาสนารวนทั้งพุทธศาสนาก็สอนให้ลาชั่วทำดีศาสนาอื่นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่พุทธศาสนาไม่ใช่นะมันยังมีข้อที่สามนีกก็คือว่าชำระจิตของตัวให้ขาวรอบหรือว่าขัดกลาวจิตให้ผ่องใสนะสามข้อนี้ก็บางครั้งพระเจ้า ก, ก็ อธิบายในรูปอื่นนะก็คือทานศีลภาวนานะทานศีลนี่ก็ครอบคลุมเรื่องการละช่วททำดีจริงๆการคำว่าละชั่วนี่ก็ยังพูดไม่ถูกต้องนะเหมือนก็ว่ามันมีอยู่แล้วค่อยละต้องเรียกว่าไม่ทำชั่วดีกว่านะเพราะว่าคำว่าละนี่แปลว่ามีอยู่แล้วก็ทิ้งมันไปนะแต่ที่จริงต้องเริ่มต้นจากการที่ ไม่เอามันตั้งแต่แรกก็คือไม่ทำความชั่วทานศีลเนี่ยนะในบุญกิริยาวัตถุสาเนี่ยก็คือการไม่ทำชั่วและการทำความดีภาวนาคือการชำระจิตของตนให้ขาวรอบแต่ว่าในบางที่ท่านก็ในเรื่องภาวนาก็เลยเป็นตรยศิขานะตรีศิขานี้ก็ศีลสมาธิปัญญา สีนี่ก็รวมสองข้อแรกในโอวัตถปฏิโมกคือไม่ทำชั่วทำความดีนะส่วนการชำระ จ, จริตของตนี้ขาวรอบก็ซอยมาเป็นสองก็คือสมาธิและปัญญานะสมาธิคือการฝึกจิตปัญญาก็คือการฝึกปัญญาให้เกิดความเข้าใจความจริงเห็นแจ้งในสัจธรรมนะวันนั้นเรื่องโอวัตปฏิโมกบุญกิริยวัตถุสาม ไตรศีลขานี่ถึงแม้ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสาราแล้วเหมือนกันนะนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยชาวพุทธเนี่ยแม้จะลงมือปฏิบัติแต่ว่าก็มักจะปฏิบัติกันไม่ครบนะหรือบางทีก็ปฏิบัติผิดนะเช่นไปหมกมุ่นกับพิธีกรรมนะไปบูชาชูชกนะไปบูชาราหูอะไรเงี้ยนะ หลายวัดเนี่ยก็มีแบบนั้นนะชาวพูทก็หลงผิดหลงพลาดนะไปบูชานะอันนี้เพราะว่าหวังความร่ำรวยนะหวังร่ำหวังรวยเป็นที่ตั้งก็เลยจะให้บูชาแะ้วก็ทำทั้งนั้นนะดีที่ไม่ไปคดโกงนะไม่ไปคอร์รัปชันแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ทางที่ถูกนะการปฏิบัติเนี่ยต้องทำให้ถูกและทำให้ครบนะก็คือว่า ทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีแล้วเนี่ยก็ก็ต้องภาวนาด้วยนะฝึกจิตฝึกใจอย่างที่นี่เนี่ยนะที่นี่นะคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็มาเพื่อที่จะฝึกจิตฝึกใจด้วยไม่ใช่มาเพื่อแค่ทำบุญให้ทานอย่างเดียวนะถ้าเป็นเรื่องการทำบุญให้ทานนี่วัดอื่นนี่อาจจะเด่นมากกว่าแล้วก็มี สิ่งจูงใจมากกว่านะแต่ที่นี่เราเน้นเรื่องข้อที่สก็คือภาวนาเน้นเรื่องการชำระจิตของตัวขาวรอบนะโดยพราะเราเน้นเรื่องการฝึกสตินะการสร้างสติการทำความรู้สึกตัวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไปเสริมสมาธิและปัญญาด้วยสมาธินี่ วิธีการสร้างสมาธิเราเรียกว่าสมัติวิธีการสร้างปัญญาเรียกว่าวิปัสนานะใครที่ได้ยินคำว่าสมัตวิปัสนาก็ให้เข้าใจนะว่ามันมันมีวัตถุประสงค์ต่างกันสมัติสมัถิ ม, ถมุ่งให้จิตสงบคือเป็นสมาธิวิปัสสนามุ่งทําให้จิตสว่างคือเกิดปัญญาแต่ทั้งสมัตวิปัสนาหรือว่าสมาธิและปัญญานี้ต้องอาศัยสตินะเป็น เป็นแกนหรือว่าเป็นเป็นเครื่องมือนะที่จริงแม้กระทั่งการทำความดีเนี่ยให้ทานการรักษาศีลหรือการทาบุญที่เราเข้าใจทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีนะมีสติมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นรองรับพอถ้าไม่มีแล้วเนี่ยทานหรือศีลที่ทำนี่มันก็บกพร่องนะทำบุญบางทีแทนที่ได้บุญนะกลับเกิดโทษขึ้นมาอย่างเช่น ตั้งใจจะทําครัวทําอาหารถวายพระตั้งใจทําอย่างดีเลยนะเครื่องก็ครบหมดแต่ว่าระหว่างที่ปรุงอาหารใจลอยแทนที่จะหยิบเอาน้ําตาลนะก็ไปหยิบเอาเกลือมานะเอาเกลือเนี่ยห่อใส่อาหารที่ปรุงพระชันท่านก็เข็มอ่าก็เอ่อเค็มปีเลยนะ อย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันนะแต่ว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะเพราะว่าอยากจะปรุงอาหารที่ประนีให้กับพระแต่ว่าใจลอยเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่มีสตินะทําความดีจะทําบุญนะจะอุปถรัรมภะนะแต่พอไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเพราะว่าระหว่างที่ทํานั้นใจลอยเนี่ยมันก็กลายเป็นโทษขึ้นมาได้ นะมีโยมคนหนึ่งเนี่ยนะนิมนต์พระมาฉันอาหารที่บ้านเสร็จแล้วก็จะพาพระนี่กลับวัดนะก็นิมนต์พระนั่งข้างหลังสองรูปนะโยมก็ขับรถนะตั้งใจจะไปส่งท่านที่วัดแต่ว่าจู่ๆนะกลางทางก็เลี้ยวซ้ายพระก็งงนะ เพราะว่านั้นไม่ใช่ทางไปวัดก็ถามว่าโยมจะพาตมาไปไหนโยมก็บอกว่าก็พาท่านไปส่งที่วัดยังไงพระก็บอกว่าไม่ใช่ทางนี้นะโยมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่มันทางเลี้ยวเข้าบ้านเนี่ยนะทำไมถึงทำอย่างนั้นนะก็เพราะว่าไม่มีสตินะตอนนั้นเนี่ยลืมตัวนะพอถึงทางแยกเนี่ยความเคยชิน ความเคยชินเลี้ยวซ้ายประจำนะเพราะว่าถนนไปบ้านเนี่ยมันไปเส้นนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าอยากจะทำบุญนะช่วยพระนะบางทีมันกลายเป็นว่าไม่สำเร็จประโยชน์นะเพราะไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวนะในสาพุทธการนี่มีนะมีพระรูปหนึ่งนะชื่อท่านสังคารคิตตนะเป็นพระหนุ่ม วันหนึ่งท่านก็ได้ผ้าจำนำพันษามาท่านก็ดีใจอยากจะถวายให้หลวงลุงซึ่งเป็นอุปชาของท่านสมัยก่อนในการถวายพ้านี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะาการถวายผ้าเนี่ยเพราะว่าผ้าเนี่หายากสมัยก่อนนี่ก็ต้องไปเก็บมาจากผ้าหอศพนะถ้าได้ผ้าเนื้อดีมายิ่งยากเข้าไปใหญ่ก็ได้ผ้าจำนำพันษามาก็จะมาถวายหลวงลุง ซึ่งเป็นอุปชาแต่ท่านปฏิเสธนะเป็นเพราะว่าท่านเห็นว่าท่านมีเยอะแล้วแล้วก็อยากจะให้พระที่เป็นหลานชายเนี่ได้เก็บเอาไปใช้เพราะว่าพระที่หลานชายท่านสังเคระห์ิดตาเนี่ยก็น้อยใจนะไม่เข้าใจเจตนาของหลวงลงุงก็น้อยใจเสียใจว่าท่านไม่เห็นความสําคัญของเรานะท่านไม่ให้เกียรติเราเนะ ก็คิดไปอย่างเนี้นะด้วยความขุ่นเคืองด้วยความน้อยใจก็เก็บเอาไปคิดตลอดนะแม้กระทั่งในช่วงที่กําลังปลนิบัติพัดวีหลวงลุงนะนะขณะที่พัดวีไปก็ก็นึกคิดไปนะว่าเนี่ยหลวงลุงท่านไม่เห็นคุณค่าของเราดีละนะเราจะสึกสึกแล้วนี่ก็จะเอาผ้าเนี่ยไปขายได้เงินมาก็จะซื้อแพะ แล้วก็จะเลี้ยงแพะพอมันออกลูกมาก็จะเอาลูกแพนี่ไปขายได้เงินมาก็จะซื้อแพะหลายๆตัวนะแล้วก็เงินเรียกว่าทําฟาร์มแพะเลยนะเมื่อได้เงินมาพอสมควรก็จะไปขอผู้หญิงมาเป็นเมียเมื่อเป็นเมียแล้วเราก็จะช่วยกันหาทํามาหาเงินนะเมื่อได้เงินแล้วนี่ก็ ต่อมาเมื่อเมื่อใดก็ตามที่มีลูกนะแล้วก็มีฐานะพอสมควรก็จะพาลูกนี่แหละพาเมียเนี่ยไปกราบหลวงลงุงนะจะนั่งเกวียนมาแล้วระหว่างที่นั่งเกวียนนี่ก็ต้องนะกําชับนะระหว่างที่เราอ่าคุมเกวียนนี่ก็ต้องให้เมียนี่อุ้มลูกดีๆนะเพอถ้าอุ้มลูกไม่ดีนี่ลูกเนี่ยตกลงมาจากเกวียนเนี่ยก็ตกอาจจะบาดเจ็บได้ ถ้าเกิว่าเมียอุ้มลูกไม่ดีลูกตกลงมาจากเกวียนเราเจ่อประตักนี่แหละทิมนะทิมเมียเลยนะเป็นการลงโทษระหว่างที่นึกอย่างเนี้ยนะก็พอดีนะกำลังพัดวีท่านพอคิดว่าจะประตักทิมเมียเนี่ยนะก็เผลอเอาเอาพัดเนี่ยฟาดหัวนะอุปชานะอุปชานี่สะดุ้งเลยนะ แล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยหลานผ้าที่เป็นหลานชายนี่ใจลอยนะอันนี้พอทำความดีนะแต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็กลายเป็นโทษนะหลายคนเนี่ยนะตั้งใจดูแลพ่อแม่นะในยามป่วยแต่ว่าพอพ่อแม่นี่ท่านจูจี้นะท่านจะคอยปลุกอยู่เรื่อยนะ ดึกๆ่ยังไงก็ปลุกนะคอยเรียกหาทั้งกลางวันและกลางคืนคนที่ดูแลนี่ก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนก็เครียดพอหงุดหงิดอารมณ์เสียเข้านะพอสะสมมาหลายวันก็หลุดปากนะต่อว่าพ่อต่อว่าแม่นะเสร็จแล้วก็เสียใจทั้งสองฝ่ายนะ คนป่วยก็เสียใจคนดูแลก็เสียใจรู้สึกผิดถ้าทำความดีแต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็เกิดโทษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมัวแต่ทําความดีให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวนะแล้วก็ละเลยเรื่องภาวนาเรื่องการรักษาใจให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวมันเป็นพื้นฐานเลยนะของการทําความดีทั้งหลาย ที่จริงแม้แต่การทำงานทางโลกนะมันก็ทิ้งสติไม่ได้แค่ขับรถนะไปทำงานนี้ก็ต้องมีสติแล้วนะเครื่องใช้ไม้สอยโดยเพราะเครื่องไฟฟ้านี้ถ้าไม่มีสตนะิก็เกิดอันตรายได้กินอาหารถ้าไม่มีสติต่อไปก็นะเกิดโรคนะ อย่างน้อยๆก็โรคที่เกิดจากความอ้วนไขมันเยอะนะเพราะเพลินในการกินแต่ว่านั่นเป็นผลระยะยาวนะระยะสั้นอาจจะยอาจจะมาเร็วกว่า น, นั้นหรือว่ารุนแรงกว่า น, นั้นเช่นเคี้ยวอาหารแล้วติดคอนะอันนี้เพราะว่าไม่มีสตินะเพลินกับการกินกินไปคุยไปนะอาหารติดคอก็บางทีตายบางคนไม่ตายนะแต่ว่าเป็นเป็นผัก อันนี้หนักเข้าไปใหญ่นะเพราะว่ากลายเป็นภาระของลูกหลานหายใจไม่ได้นี่สมองก็ตายเย่ยพอสมองตายแล้วเนี่ยมันตายบางส่วนมันไม่ได้ตายหมดนะก็เลยกลายเป็นผัก้เรื่องการเจริญสตินสําคัญนะที่เราจะละทิ้งไม่ได้มันเป็นเครื่องช่วยนะในการรักษาใจนะไม่ให้ความทุกข์เข้ามาครอบงํา คนเราทุกเนี่ยนะเพราะความคิดนะทุกกายนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ทุกใจเนี่ยมันเป็นเพราะความคิดความคิดที่ฟุง้งซ่านนะไปเก็บเอาเรื่องราวในอดีตมาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนึกถึงคำหรือการกระทำของคนที่ทำให้เราเจ็บปวดก็โกรธแค้นนะแล้วก็พยาบาทนะและทั้งๆที่ คิดถึงแล้วความโกรธมันก็เผาลนจิตใจนะทำให้รุ่มร้อนแต่แทนที่จะหาทางปล่อยมันไปแทนที่หาทางดับมันนะกลับประคับประคองมันเอาไว้นะเหมือนกับว่าพยายามที่จะเติมฟืนเติมเชื้อให้กับกองไฟให้มันเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลาเวลาโกรธเนี่ยเราเคยสังเกตไหมว่า มันไม่เพียงแต่อยากจะให้เราดา่าให้เราทำร้ายให้เราตอบโต้ให้เราแก้แค้นเท่านั้นนะในเวลาที่ตอบโต้ไม่ได้แก้แค้นไม่ได้เนี่ยมันก็เผาใจเราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับความดันขึ้นนะร่างกายเจ็บป่วยทั้งที่ทุกข์เห็นนี้แล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะใครมาบอกให้ว่าให้อภัยเขาให้อภัยเขาไปเถอะนะก็ไม่ยอมนะ กลับไม่พอใจคนที่แนะนำให้ให้พัยเขาอีกทำไมถึงหวงแหนความโกรธอย่างนั้นนะความโกรธมันดีตรงไหนนะทำไมถึงหวงแหนมันก็เพราะว่าไม่รู้ตัวเป็นเพราะลืมตัวตอนนั้นตกอยู่ภายใต้การครอบงมของความโกรธความโกรธนี่มันกลัวนะมันกลัวอะไรก็ตามที่จะทำให้มันสงบทำให้มันดับหายไปเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะ่ นะสิ่งมีชีวิตนี่มันก็พยายามที่จะรักษาตัวมันเองให้ยืดเยื้อให้มีชีวิตยอยู่ได้นานที่สุดอยู่อย่างได้ไม่พอนะอยังแพร่พันไปอีกเชื้อโรคก็เป็นแบบนี้ความโกรธเนี่ยพอมันคลองใจแ ล, แล้วเนี่ยมันจะพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้มันเนี่ยนะลุกลามขยายตัวไปเรื่อยๆใครที่มาแนะนาให้ปล่อยวางความโกรธใครที่มาแนะนำให้แหบภายเนี่ย ความโกรธมันจะสั่งให้เราเกลียดเขาจะสั่งให้เราโกรธเขาจะสั่งให้เราไม่พอใจเขาเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าใจที่ไม่มีสตินะมันไม่ใช่แค่ความโกรธอย่างเดียวบางทีเป็นความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดนี่มันหนักกว่าความโกรธนะความโกรธเนี่ยเวลาอาจจะช่วยเยียวยาให้ให้ลืมเลือนได้แต่ความโกรธแต่ความรู้สึกผิดนี่ผ่านไปสามสิบปีผ่านไปห้าสิบปีก็ยังไม่ ไม่เลือนหายเลยนะเพียงแต่ว่าอาจจะกดคมมันได้ชั่วคราวแต่พอเผลอเมื่อไหร่มันก็โผล่ขึ้นมานะความรู้สึกผิดก็เป็นสิ่งที่กรีดแทงจิตใจเราแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมสลัดไม่ยอมวางนะก็รักษามันเอาไว้ประคบประงมมันเอาไวนะ้นอกจากเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็เหมือนกันนะมันมายังมาไม่ถึงก็เอาแต่วิตกกังวล ว่ามันจะเป็นอย่างโน้นว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าปรุงแต่งไปแล้วนะให้เป็นในทางรสารพัดแล้วก็เครียดแล้วก็หนักอกหนักใจวิตกกังวลนะรู้ว่ามันหนักรู้ว่ามันบีบคั้นใจนะแต่ไม่ยอมปล่อยสักทีนะเอาแต่นั่งเจ้าจุกนะคิดซึมนะอาคนที่เป็นคนที่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะ หรือว่าคนที่พบว่าตัวเองเป็นหนี้มากมายนะแล้วตอนนี้นี่คนที่เล่นหุ้นหลายคนนี่ก็กําลังวิตกกังวลเพราะว่าหุ้นมันก็ตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆนะบางทีหุ้นก็ไม่ได้ตกมากนะั่แต่ว่าใจนี่นึกไปถึงว่าหุ้นเนี่ยมันต่ําเตี้ยติดกระดานเลยพอคิดแบบนี้เขาโอ้โฉันต้องสูญเสียเงินเป็นหลายล้านเป็นสิบล้านเท่านั้นไม่พอไปกู้เข้ามาอีกนะแล้วฉันจะอยู่ยังไง นะแล้วบ้านฉันจะถูกยึดไหมรถจะถูกยึดไหมก็ถ้ารถถูกยึดบ้านถูกยึดนี่ฉันจะอยู่อย่างไรนะเป็นข้าราชการใช่ด้วยหรือว่ามีหน้ามีตาในสังคมใชด้วยคิดแบบนี้ไปนะมันสุดเลยนะบางคนนี่ถ่าถึงกับค่าตัวตายเลยนะท่านังที่มันยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ว่าความความฟุ้งซ่านมันพาไปอันนี้เราเราเนี่ยนะ ปล่อยให้ความคิดเนี่ยมาทําร้ายจิตใจและจิตใจของเราเนี่ก็เปิดอาซ่านะแทนที่จะมีสติคอยรักษาใจควบคุมจิตไม่ให้มันพาเราถลําไปในทางที่เป็นทุกข์หรือว่าไปในทางที่ตกต่ําย่ําแยก่ก็กลับปล่อยให้ใจเตลิดเปิดเปลืองไปอันนี้เรียกว่าเป็นการทําร้ายตัวเองแบบหนึ่งนะพุทธเจ้าตรัสว่าคนผ่านปัญญาสามเนี่ย ยอมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูนะคนผ่านปัญญา3ามเนี่ยนะเขาไม่ได้รักตัวเองเลยนะเพราะถ้าเขารักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ทำกับตัวเองเมันก็เป็นศัตรูก็คือทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองอย่างไรนะทำร้ายตัวเองด้วยการทำชั่วผิดศีลทำให้เกิดวิบากทำให้เกิดการแก้แค้นตามติดตามมาแต่ถึงแม้จะไม่ผิดศีลนะ ให้ทารักษาศีล น, นะตั้งใจตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าไม่รักไม่รักษาใจนะไม่มีสตินะปล่อยให้นะจิตใจมันว้าวุ่นฟุ้งซ่านหลายไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างนะอันนี้ก็เป็นการทำร้ายตัวเองอีกแบบหนึ่งนะก็จัดว่าเป็นคนพาลได้เหมือนกันนะคนคนพาลในที่นี้คือไม่มีปัญญานะปัญญาสมก็บอกอยู่แล้วไม่มีปัญญานะ เอ๊ะแล้วทำอย่างไรล่ะก็ต้องรักษาใจาไวนะ้เรื่องของพระสังฆคิตะเนี่ยที่เพิ่งเรามาสักครู่เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้เอามาเอามาเล่าให้ภาษาวกฟังเสร็จแล้วพระองค์ก็ตัดสรุปนะในตอนท้ายนะว่านะบุคคลเนี่ยเมื่อรักษาจิตว่าบุคคลเนี่ยพิ่งรักษาจิตนะซึ่งชอบท่องเที่ยวว่าวุ่นฟุง้งซ่าน ผู้ใดที่รักษาจิตได้เนี่ยย่อมพ้นบ่วงแห่งมาร น, นะพ้นบ่วงแห่งมารมานเนี่ยมันชอบพยายามควบคุมชีวิตจิตใจของเราไม่ให้ไปในทางที่สูงนะพยายามดึงไปในทางที่ต่ำนะแล้วจะทำให้จะทาให้จะทา ใ, ให้สำเร็จได้นะก็ต้องนะเข้าไป ครอบงำจิตใจของเราปล่อยให้ความโกรธปล่อยให้กิเลสปล่อยให้ความรสึกผิดความทุกข์ต่างๆนี้เข้ามาเล่นงานเน้นถ้าเราทําความดีให้ทานรักษาศีลอย่างไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จักรักษาใจนะนอกจากทานศีลจะเกิดประโยชน์น้อยหรือว่ากลายเป็นโทษแล้วเนี่ยบางทีนะยังเกิดความทุกข์นะจากการให้ทานรักษาศีลด้วยซ้ำนะ เช่นวิตกกังวลว่าเราจะได้บุญไหมหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนะที่ที่ทำบุญแล้วนะพระท่านไม่อนุมโมทนาเพราะท่านไม่รับรู้หรือว่าท่านไม่เผลอไปนะไม่เห็นถวายอาหารอย่างดีท่านไม่ฉันถวายจีวรเนื้อดีท่านไม่คลองนะก็เสียใจว่าทำไมท่านไม่ฉันอาหารของเราทำไมไม่ท่านไม่ห่มผ้า ห่มจีวรของเราเกิดความเนื้อเนื้อต่าใจรู้สึกผิดหรือบางทีอาจจะโกรธพระที่ท่านไม่ไม่สนองศรัทธาของเราอันนี้เป็นการทำบุญให้ทานด้วยความยึดติดยังไปยึดว่าเป็นอาหารของเรายัางยึดว่าเป็นจีวรของเราทั้งที่ถ้าถวายท่านไปนแล้วก็ต้องเป็นของท่านไม่ใช่ของเราให้ใจที่ยึดติดถือมั่นเนี่ยนะมันก็เกิดจากการที่ไม่รู้จักดูใจของตัวนะหรือว่า ทำบุญไปถวายทานก็ยังก็เกิดอิจฉาว่าคนหนึ่งเขาถวายมากกว่าเรานะหรือว่าเกิดความเสียใจว่าเราถวายน้อยกว่าเขาหรือว่าถวายไปแล้วไม่มีคนถ่ายรูปนะเอาขึ้น f a c e b o o นะรู้สึกว่านะศูนย์เปล่าเนี่ยไอ้คนี้มาแล้วแต่ทำให้ใจทุกข์ทั้งนั้นนะแล้วเกิดจากการที่วางใจผิดนะเกิดจากการที่ไม่มีสตินะไม่มาไต่ตรองดูว่าตอนนี้เยกำลังทาบุญด้วย ความรู้สึกแบบไหนด้วยใจแบบไหนใจที่มีกิเลสใจที่มีความยึดติดถือมั่นนะใจที่มีโลภะหรือเปล่าเนะี่ยทาบุญแล้วก็ทุกก็มีเยอะนะให้ทานแล้วก็ทุกก็มีเยอะรักษาศีลแต่ทุกก็มีเยอะทุกอาจจะเพราะว่าไปดูถูกคนอื่นว่าเขานะเขาถือศีลนี่ไม่เคร่งเหมือนเรานะ ดูเหมือนว่ามันเกิดความภาคภูมิใจนะแต่ว่ามันเปิดช่องให้อัตตาหรือมารนาเข้ามาครองใจพอคนอื่นถือศีลเคร่งกว่าเราเนี่ยหรือถือถือศีลมากข้อก่าเราก็กลายเป็นอิจฉาเข้าไปนะถือศีลนี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขนะ้ า, ากว่าวางใจไม่เป็นถ้าจิตเนี่ยไม่มีสติรักษาเนี่ยมันก็จะเปิดช่องให้กิเลสเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้ก็ทาให้เกิดความทุกข์ นั่ถ้าเกิดอยากจะให้ชีวรามีความสุขน่ยนะมันก็ต้องนะฝึกเรื่องของสติเรื่องการภาวนาให้มีความสึกตัวให้มีปัญญานะสติกับปัญญาเป็นของคู่กันอยู่แล้วนั้นะการปฏิบัติอย่างนี้แหละที่จะทําใหนะ้การทําความผิดของเราครบเครื่องนะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ครบนะทั้งทานศีลภาวนาทั้งศีลสมาธิปัญญานะ ไม่ทำชั่วแล้วสร้างบุญกุศลก็ดีและนะ้วนั่นแต่ว่าต้องชําระจิตของตนให้ข่าวรอบนะรักษาจิตของตนให้เบิกบานผ่องใสด้วยไม่ว่าเราจะทําอะไรนะมันก็จะทําให้เกิดมันก็จะเป็นความดีนะที่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันเอาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะเอากราบาับฮะ